ท้าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของพวกเราเองว่าทำไมพวกเราเกิดมาจึงมีความแตกต่างกันหลายอย่างด้วยกันบางคนเกิดมา ก็ฉลาดบ้างบางคนก็โง่บางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็สวยบางคนก็ไม่สวยบางคนดีบางคนไม่ดีความแตกต่างเหล่านี้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงตัดว่ามาจากกรรมที่เราทำกันไว้ดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นเนี่ยพวกเราในอดีต เคยทำกรรมชนิดต่างๆบุญก็เคยทำบาปก็เคยทำทำมากทำน้อยแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์จึงทำให้เราสะสมส่วนต่างที่ไม่เหมือนกันพอเรามาเกิดเราจึงมา เป็นอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาจากท้องแม่คนเดียวกันก็ตามที่เหมือนกันก็คือที่รูปร่างหน้าตาของร่างกายแต่เรื่องของจิตใจนี่จะไม่เหมือนกันเพราะจิตใจไม่ได้มีพ่อแม่ทางร่างกายเป็นผู้ให้กำเนิด ผู้ให้กำเนิดแก่จิตใจที่ดีหรือไม่ดีนี่คือกรรมนั่นเองเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธเผ่าพันก็เผ่าดีหรือเผ่าชั่วน่เองเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราจึงเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้บางคนก็มีวาสนาบารมีบางคนก็อาภัพวาสนาบาร ม, มีบางคนเกิดมาแล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับพวกเรานี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากบุญบา ร, รมีนั่นเองบุญบา ร, รมีนี่แหละที่ทำให้พวกเรามีวาสนามีบา ร, รมีมีความสุขมีความเจริญกันส่วนบาปกรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราอาภัพวาสนาทำให้พวกเราต่ำต้อยกัน นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุแล้วนำมาสอนมาบอกพวกเราเพื่อให้พวกเราจะได้ปรับปรุงตัวพวกเราเองได้ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี้เราปรับปรุงไม่ได้คือเปลี่ยนมันไม่ได้ตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราฉลาดเราไม่ฉลาดเรารวยหรือเราไม่รวย เราสวยหรือไม่สวยเราดีหรือไม่ดีมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราในอดีตแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเรานี้ให้ดีขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้วันนี้ในอนาคตเราก็จะมีต้นไม้ ขึ้นเต็มไปหมดแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ในวันนี้ในอนาคตก็จะไม่มีต้นไม้ปรากฏขึ้นมาฉันใดบุญบารมีก็เป็นอย่างนั้นอ่าถ้าเราในอดีตไม่ได้สร้างบุญบารมีมาชีวิตของเราก็เลยไม่มีวาสนาบารมีมาสนับสนุนแต่ถ้าเรารู้ว่าอนาคตนี้ จะมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่ถ้าเราปลูกวาสนาปลูกบารมีในปัจจุบันเนี่ยดังนั้นถึงแม้ว่าอาดีตมันผ่านไปแล้วเราไปแก้ไขไม่ได้ความเป็นของความเป็นอยู่ของเราตอนนี้มันก็เป็นไปตามผลเป็นไป เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราในอดีตแต่อนาคตของเรานี้เราสามารถที่จะปรับปรุงให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นได้ถ้าเราอยากจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเช่นรวยมากขึ้นสวยมากขึ้นดีมากขึ้นสิ่งที่เราต้องมาศึกษา ก็คือบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเรียกว่าบุญบารมีเป็นการกระทำที่ดีที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นไปตามลำดับบุญบารมีนี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งเรียกว่าเมตตาบาลมีชนิดที่สองเรียกว่าทานบารมีชนิดที่สามเรียกว่าศีลบาลมีชนิดที่สี่เรียกว่าเนคขมะบาลมีชนิดที่ห้าเรียกว่าอุเบกขาบาลมีชนิดที่หกเรียกว่าปัญญาบารมีชนิดที่เจ็ดเรียกว่าอธิฐานบารมี ชนิดที่แปดเรียกว่าสัจจะบารมีชนิดที่เก้าเรียกว่าขันติวิริยะบารมีและชนิดที่สิบคือ ข, ขันติบารมีนี่คือบุญบารมีสิบประการด้วยกันที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเรา ให้ดีขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอริยบุคคลความดีของจิตใจนี้ขั้นสูงสุดของความดีของจิตใจก็คือขั้นของพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบานันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอารหันและพระพุทธเจ้าเนี่ นี่คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าเราพัฒนาแล้วผลที่เกิดจากการพัฒนาก็คือเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆและผลที่เกิดจากการที่เราเป็นคนดีก็คือทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับ และทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราลดน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราในอนาคตถ้าเราปลูกฝังบุญบรารมีไว้ตั้งแต่บัดนี้เหมือนกับถ้าเราปลูกต้นผลไม้ต่างๆไว้วันนี้ เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเราก็จะมีผลไม้ต่างๆออกดอกออกผลให้เรามารับประทานกันแต่ถ้าเราไม่ปลูกต้นผลไม้เลยอนาคตก็จะไม่มีผลไม้ออกดอกออกผลชันใดการสร้างบุญบา ร, รมีก็ฉันนั้นเราต้องมาสูกต้นบุญบา ร, รมีกัน ใจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนที่ดินตอนนี้ที่ดินของเราอาจจะมีต้นไม้ไม่มากมีผลจากต้นไมไม่มากถ้าเราอยากจะมีผลที่มากกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็ต้องมาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นไปปลูกต้นผลไม้ต่างๆเพิ่มมากไปให้มันเต็มไปหมด บนพื้นที่ของเราเลยเมื่อเราปลูกได้เต็มที่แล้วต่อไปต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลให้กับเราเราก็จะมีผลไม้มารับประทานกันตลอดทั้งปี <c oughs> นี่คือถ้าเราอยากจะให้เราชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องมาสร้างบารมีกัน มาสร้างบารมีข้อที่หนึ่งคือเมตาามเมตาบารมีเมตตาบารมีนี้จะทำให้เรามีเพื่อนมีคนที่รักคนที่ชอบเราเราจะไม่มีสัตว์ตจะไม่มีผู้ที่จะปองร้ายเราเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับ เราจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะไม่มีใครคิดที่จะปองร้ายเราจะนอนหลับฝันดีถ้าจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสถ้านั่งสมาธิใจของเราก็จะสงบได้อย่างง่ายดายถ้าตาย เราก็จะไปเกิดในสุกตินี่คืออนิสง์ผลที่จะเกิดจากการที่เราจเจริญเมตตาบารมีแผ่เมตตาผลเกิดตั้งแต่ในปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่ชาตินะ้พอเราเริ่มแผ่เมตตาเราก็จะเริ่มมีมิตรมีเพื่อนศัตรูที่เรามีก็จะลดน้อยลงไป ความทุกข์ที่เรามีก็จะน้อยลงไปความสุขที่เรามีก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือการสร้างความความสุขความเจริญให้แก่จิตใจในเบื้องต้นก็คือให้เรามีเมตตาต่อกันนี่วิธีที่จะคนที่มีเมตตานี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง คนที่มีความเมตตานี้จะไม่จองเวรจองกรรมกันคือจะให้อภัยกันใครทําให้โกรธแค้นโกอดเคืองเกิดความเสียหายก็จะให้อภัยไม่แก้แค้นไม่ล้างแค้นเรียกว่าอเวราโหนตุคุณลักษณ์คุณสมบัติอันที่สองของผู้ที่มีความเมตตา ก็คือจะไม่เบียดเบียนกันจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคุณสมบัติข้อที่สามก็คืออนีคารหนตุแปลว่าจะไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นและข้อที่สี่คุณสมบัติข้อที่สี่คือส an ุขีอัตานังปาริหารันตุ จะให้ความสุขกับผู้อื่นมอบความสุขให้กับผู้อื่นตัวอย่างที่เรามอบความสุขให้กันก็ตอนขึ้นปีใหม่เราจะส่งสกออสนอาสกสอแปลว่าอะไรส่งความสุขหรือวันเกิดวันสำคัญต่างๆเราก็จะให้ความสุขแก่กันซื้อขนมเค้กมาให้กันวันเกิด ใครมีวันเกิดก็จะต้องซื้อขนมเคก้กมาฝากเพื่อให้ผู้เกิดในวันนั้นมีความสุขนี่แหละคือการแผ่เมตตาต้องแผ่โดยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดอย่างที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเวลาเราสวดบทแผ่เมตตาเรากำลังแผ่เมตตาแต่เราไม่ได้แผ่ไรเลย เป็นเพียงแต่การสวดเท่านั้นเองสัพเพชัตาเอเวลาโหตุขอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอันนี้ใครๆก็สวดได้แต่มันไม่ได้ทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมาจะเกิดความเมตตาขึ้นมาก็คือตอนที่ใครเขาทำให้เราโกรธใครเขาทำให้เราเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจ แล้วเราอยากจะล้างแค้นขอนี่อันนี้ละถึงถึงเวลาที่จะต้องแผ่เมตตาคือเอาเวลาโหนตุบอกเฮ้ยเอาเวลาโหนตุอย่าจองเวรจองวันกันให้อภัยกันเนี่ยต้องแผ่ตอนนั้นไม่ใช่แผ่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวเล่าสวดเพราะตอนนั้นยังไม่มีเหตุการณ์ การแผ่เมตตานี้เหมือนกับเอาน้ำมาดับไฟในใจของพวกเราเวลาไฟไม่ไหม้เวลาไฟไม่ไหม้บ้านเราน้ำไปฉีดบ้านทำไมฉีดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำให้บ้านเปียกเละเทะแต่เวลาไฟลุกไหม้ขึ้นมาในบ้านนะตอนนั้นอ่ะต้องรีบเอาน้ำมาดับมันถ้าไม่ฉีดน้ำไฟมันก็จะไม่ดับ มันก็เฉาเผาบ้านให้กลายเป็นขี้เท่าไปหมดฉันใดใจของพวกเราเวลาเกิดความโกรธเกิดความมาฆาตพยาบาทตอนนั้นนะ่ะคือเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาคือต้องไม่จองเวรกันสัพเพสัตตาอเวราโหนตุการที่เราสวด น, นี้สวดเพื่ออะไรสวดเพื่อศึกษานั่นเองศึกเพศศึก สวดเพื่อสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราต้องทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเราต้องให้อภัยผู้ที่เขาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองผู้ที่ทำให้เราอยากจะล้างแค้นจองเวรจองกรรมเราต้อ ง, งระงับการจองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัย ดับความจองเวรจองกรรมถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเวลาที่เราอยากได้อะไรอยากจะทำอะไรบางทีเราไม่คำนึงถึงความเสียหายความเดือดร้อนของผู้อื่นเราทำไปแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเช่นขับรถปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาอยากจะรีบไปเร็วๆให้ไปถึงก็เลยแซงซ้ายแซงขวา ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันเราอย่าทำอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความเมตตาขับรถไปใจเย็นๆตามไกลเป็นตามไกลตามกันไปเป็นแถวเป็นแนวไม่ใช่มีช่องซ้ายก็เบียดเข้าไปมีช่องขวาก็เบียดเข้าไปแล้วมันไปไกลแค่ไหนมันก็ไปแค่อีกสองคืบเท่านั้นเน่ แล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเขาเขาต้องมาคอยระมัดระวังเดี๋ยวนั่นก็เบียดมาทางซ้ายเดี๋ยวนี่ก็เบียดมาทางขวาเดี๋ยวดีไม่ดีก็ชนกันอชนกันทีนี้เดือดร้อนกันทั้งบ้านเลยรถขวางถนนรถวิ่งไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ยอมไปต้องมานั่งเถียงกันหรือใครผิดใครถูกต้องรอเรียกประกันให้มา มาตัดสินมาให้ตำรวจมาขีดเส้นอะไรวุ่นวายไปหมดนะรถก็ติดยาวเหยียดไปทั้งบ้านทั้งเมือง น, นี่แหละเพราะความเบียดเบียนเพราะความไม่มีความเมตตาของเราเห็นแก่ตัวไงอยากจะไปเร็วๆก็เลยไม่คิดถึงความเสียหายความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาอ่านี่คือเรียกว่าการเบียดเบียน จงอย่าเบียดเบียนกันเถิดสพเพสัตตาอับปบยาปัชชาโหนตุจงอย่าทำะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่ก็ต้องใช้ตอนที่เรา อ, าอยู่ในเหตุการณ์เช่นขับรถเนี่ยใจเย็นๆอย่ารีบร้อนปฏิบัติตามกฎจราจร แล้วก็จะทุกคนก็จะได้ไปกันได้อย่างสบายอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไปได้ดีกว่าไม่ได้ไปเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุชนกันก็ขวางถนนรถที่จะวิ่งได้ก็วิ่งไม่ได้เสียแล้วคนที่เขาจะไปโงปรงพยาบาลไปคลอดลูกก็ดีไม่ดีก็ต้องคลอดกลางถนนนั่นก็เพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนนี่เอง เรียกว่าคนไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาเราทำอะไร น, ะนี่ก็คือการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาที่บ้านนั่งสวดอัปปยาปชาโหรุขอให้สัตว์ทั้งหลายต้องตวงจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดพาอออกจากบ้านขับรถไปก็ปาดซ้ายปาดขวาเลย สวดไปเสียเวลาเปล่าๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาด้วยการสวดการแผ่เมตตานี่ต้องแผ่ด้วยการกระทำที่สวดเพื่อที่จะได้สอนให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเวลาอยู่ในเหตุการณ์ ข้อที่สามก็เรียกว่าอนีคาโหนตุอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาโกรธผู้อื่นนี่มักอยากจะเอาไม้เอาค้อนมาทุบศีรษะคนอื่นอย่าทยอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นต้องพยายามหกห้ามจิตใจให้อภัยอาเวลาโหนตุ ถ้าไม่จองเวรจองกรรมไม่คิดร้ายก็จะไม่ไปทําร้ายผู้อื่นแล้วข้อที่สี่ก็ให้ความสุขกับผู้อื่นเรามีความสุขเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างมีเงินทองพอเหลือกินเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นที่เขาขาดแทนช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแดืร้อน ให้ความสุขกับผู้อื่นนี่แหละต้องให้ด้วยการกระทำถ้าเราแผ่เมตตาด้วยการกระทาได้เนี่ยอันที่สมของการแผ่เมตตามันจะเกิดจะทำให้เราอยู่เป็นสุขหลับก็เป็นเติรนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับจะไม่ฝันร้าย จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีผู้ปองลายด้วยอาวุธด้วยยาผิดเทวดาจะคุ้มของรักษาจะมีผิวพรรณผ่องใสเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะสงบได้ง่ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติหรือสูงกว่านั้น คือพันธิพาน์นี่คือเรื่องของการสร้างบุญบารมีถ้าอยากจะให้คนเขารักเราเนี่อย่าไปเสริมที่ผิวหน้าผิวพันเลยอันนั้นมันเป็นความสวยที่เปลือกไปแต่งหน้าทาปากไปดึงหนังไปเสริมคิ้วเสริมจมูกอะไรต่างๆนี่อันนั้นมันเป็นเ ป, นเปลือก แต่ถ้าใจไร้ความเมตตานี้ไม่มีใครเขารักเขาชอบหรอกแต่คนที่ไม่ได้เสริมเสริมสวยความงามของร่างกายเช่นพระสงฆ์องค์เจ้านี่หัวลอนโดนหน้าตาแก่แก่ผิวย่นยนแต่กลับมีคนรักคนเคารพกันมากมายเพราะท่านสวยด้วยความเมตตาสวยสวยที่ใจอันนี้แหละ ถ้าอยากจะให้คนเขารักเราอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยการทำเเผาทำผมทำคิ้วทำจมกูกทำตาอะไรต่างมันเป็นความสวยปลอมถ้าใจไม่สวยสีอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้องรับรองได้นางนามจั ก, กรวาลยังอยา ก, กันเลยแต่งงานกับนางนามจั ก, กรวาลยังอยู่กับนางนามจั ก, กรวาลไม่ได้ มันก็ต้องบอกแล้วว่ามันใจมันไม่สวยเหมือนกับร่างกายถ้าใจสวยเหมือนกับร่างกายจะอยากกันทำไมเนี่นี่คือถ้าอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราต้องพยายามแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วรับประกันได้ผลที่พรุทธเจ้าบอกจะเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือข้อที่หนึ่งของ การสร้างบุญบรารมีคือให้มีความเมตตาข้อที่สองท่านให้สร้างทานบรารมี <c oughs> ทานบรารมีก็คือการให้การแบ่งปันความสุขประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นการให้แก่ผู้อื่นนั้นให้อะไรตามกฎแห่งกรรมเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเราต่อไปให้ความสุขกับผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขกลับมา ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นเราก็จะได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกลับมาต่อไปไม่ใช่พบนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ให้ปุ๊บก็ได้ปับ๊บถ้าให้ปุ๊บได้ปั๊บนี่เรียกว่าเป็นการซื้อขายเอาเงินไปให้ร้านเซเวเขาเขาก็ให้ขนมจีบซาลาเปามา่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทำทานบารมี เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเราต้องรอเวลาให้ทานมันมีโอกาสได้เจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ปุ๊บจะหวังให้มันออกดอกออกผลทันทีมันย่อมเป็นไปไม่ได้รปลูกต้นไม้วันนี้แล้วพยายามคอยรดน้ำพรวนดินรักษาป้องกันไม่ให้มีวัชพืชหรือมแมลงสัตว์มาทาลาย เดี๋ยวไม่นานมันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาต้นข้าวเนี่ยปลูกไว้สักสามเดือนเดี๋ยวข้าวก็ออกรวง <c oughs> ฉันใดการสร้างทานบา ร, รมีก็แบบนั้นตอนที่เราเสียเงินเสียทองด้วยการทำบุญทำทานมันไม่ทำให้เรารวยพวกนี้เรื่รวยบ่ายนี้เหมือนพวกที่ซื้อหวยเนี่ย <c oughs> พวกที่ซื้อหวยนี่ก็เช้าก็ใส่บาทแล้วบ่ายก็หวังว่าจะถูกลวยกัน อันนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างทานบารมนะีการใส่บาตรเป็นทานบารมีแต่ผลมันจะกลับมานี้อาจจะในภายภาคหน้าต่อไปเราไปบวชก็จะมีคนมาใส่บาตรให้กับเรานะหรือว่าถ้าเราอดอยาขาดแคลนอดข้าวนะเดี๋ยวก็จะมีเทวดาส่งคนมาเอาข้าวมาเลี้ยงเรานะอันนี้ ต้องใจเย็นๆทำทานสร้างทานบารมีนี้ไม่ใช่สร้างปุ๊บจะได้ปั๊บเนี่ยต้องรอเวลาทำไปเรื่อย ทำทานในปัจจุบันมันไม่ได้ทำให้รวยขึ้นขอให้เราต้องคิดว่าเราต้องจนลงถึงจะเรียกว่าเราทำทานถ้าเราทำทานล้วเรารวยขึ้นมาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นการทำทานเป็นการซื้อขายเป็นการลงทุนเช่นไปซื้อหวยลงทุนซื้อหวยแล้วเดี๋ยวก็ถูกหวยขึ้นมาอันนี้เป็นการซื้อขาย การทำบุญทำทานนี้อย่าไปหวังล่ำรวยในปัจจุบันนยขอให้หวังความล่ำรวยในอนาคตเนี่ยความล่ำรวยนี้มีสองลักษณะด้วยกันในอนาคตคือตอนที่เราตายไปนี้เราจะรวยบุญบุญนี้ก็จะเป็นเงินที่เราจะใช้ในโลกทิพย์เนี่ยเวลาที่ใจไม่มีร่างกายในี้ใจจะกลับไปอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับเราไปต่างประเทศเนี่ย เวลาเราอยู่เมืองไทยเราก็ใช้เงินบาทแต่พอเราต้องไปอยู่ต่างประเทศนี้เราเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินของสกุลของประเทศที่เราจะไปอยู่ถ้าเราจะไปอยู่เมืองญี่ปุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินเยนชั้นใดเวลาที่เราตายไปนี้เราใช้เงินที่เราใช้อยู่ในโลกนี้กันไม่ได้ ในโลกของในโลกเทปนี้เขาใช้เงิขาใช้บุญเป็นเงินกันถ้าอยากจะซื้ออะไรต้องใช้บุญเป็นเป็นเงินซื้อเนเป็นบุญเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในยทรัพย์ที่ใจจะเอาไปใช้ในขณะที่อยู่ในโลกเทปเนี่ยนี่คือการทำทานบารมีถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยเื่อเราจะมีบุญ เวลาตายไปบุญก็จะทําให้เราเป็นเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญนี้ก็คือพวกเทวดานี่เองที่มีอยู่หกะดับด้วยกันเอเศรษฐีบุญก็มีเหมือนเศรษฐีเงินใช่ไหมเศรษฐีเงินก็มีหลายระดับเนี่ยเศรษฐีระดับแสนระดับล้านระดับสิบล้านร้อยล้านพันล้านมีมากก็จะรวยมากมีน้อยก็รวยน้อย บุญก็เหมือนกันทำน้อยก็จะมีบุญน้อยทำมากก็มีบุญมากแล้วบุญนี้จะเป็นเหมือนทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้เหมือนเงินที่เราเปลี่ยนเราจะไปอยู่ญี่ปุ่นนี่เราต้องรีบซื้อเงินเยนเยอะๆแล้วรู้ว่าเดี๋ยวเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเงินเยนกันเตรียมเสเตรียมขนเงินเยนไปกันพอไปถึงญี่ปุ่นก็สบาย มีเงินเย็นไว้ใช้ซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่จําเป็นซื้อปัจจัยสี่ซื้อบ้านซื้ออละซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆได้เนี <c oughs> ่ยบุญก็เหมือนกันบุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะเอาไปใช้ในโลกโลกทิพย์เนี่ยเป็นเหมือนกับไปต่างประเทศนอกจากนั้นบุญนี้ยังเป็นเหมือนกับทางที่เราทํานี้เงินที่เรา เสีละให้แก่ผู้อื่นนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารเนะีเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่นะบุญที่เราทํานี้คือทานที่เราทํานี้มันจะมารอรับเราเนะี่ยทำให้เรามาเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวยนะมีฐานะดีหรือถ้ายากจนก็เราสามารถที่จะทํามาหากินแบบ ที่ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว น, น, นี่คือประโยชน์ของการสร้างทานบารมีทำไมคนเราจึงเกิดมาแล้วรวยจนไม่เท่ากันส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทำทานในอดีตนี่เองไม่ใช่เป็นเหตุทั้งหมดที่ทำให้เรารวยหรือจนคนที่ไม่ได้ทำทานในอดีตมารวยในชาตินี้ก็มี ไปโกงไปป้นไปที่ก็รวยได้แต่รวยแบบนี้มันรวยแบบมีปัญหารวยแบบมีพิษมีภัยตามมามีโทษตามมาแต่รวยแบบทานบรารมีนี้จะไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีโทษตามมามาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเช่นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เป็นพระเวชสันดรมาก่อนทำบุญทำทานอย่างมากมายพอตายไปก็มีบุญพาไปเป็นเศรษฐีบุญสวรรค์ไปเป็นเทวดาพอลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีฐานะที่ดีมีนลูกของพระเจ้าแผ่นดินนี่อันนี้ก็เรียกว่า การทำให้เราร่ำเรารวยมีฐานะการเงินการทองที่ดีก็จากการทำทานของพวกเราในปัจจุบันนี้แทนถ้าเราอยากจะให้อนาคตของพวกเหานีา้มีความร่ำรวยทั้งในขณะที่ไปอยู่ในโลกทิพย์และทั้งในขณะที่เราก็จะกลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้า การกลับมาเกิดคราวหน้าของเราเป็นมนุษย์นี้จะดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เงินทองที่เรามีอยู่ขณะนี้เราจะได้มากกว่าเงินทองที่เรามีอยู่เพราะเรามีการเอาเงินทองนี้ไปฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองการทำบุญทาทานจึงเป็นเหมือนเปลี่ยนเงินตราเอาไปใช้ในต่างประเทศ แล้วก็เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญมีแต่ได้ประโยชน์และในปัจจุบันทําทานแล้วก็จะมีความสุขใจอิ่มใจถึงแม้ว่าเงินจะน้อยลงจะจนลงแต่ใจกับมีความสุขมากกว่าตอนที่มีเงินมากมีเงินมากแต่ไม่ได้ทําบุญนี้ใจจะรู้สึกร้อนใจจะรู้สึกหิวโหวย เพราบุญนี้เป็นเหมือนอาหารใจเวลาได้ทําบุญแล้วจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีเงินแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญนี้จะไม่มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจจะรู้สึกหิวอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้ทําให้ความหิวมันน้อยลงไปนะมันกลับทําให้มีความหิวมากขึ้นไปน ถ้าไม่เอาไปทําบุญถ้าต้องการลดความหิวความอยากได้สิ่งต่างๆต้องใช้เงินไปซื้ออาหารใจก็คือบุญมาเท่านั้นถ้าไปซื้อของที่เราอยากได้ของฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี่ซื้อของหรูหราอันนี้ไม่ได้ทําให้ใจเกิดความอิ่มความพอ กับจะทำให้ใจเกิดความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าใช้เงินในแบบนั้นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นแต่กลับทำให้จิตใจแย่ลงเพราะจะหิวมากขึ้นจะอยากมากขึ้นนั่นเอง <c oughs> นี่คือบารมีข้อที่สองคือทานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมี ทำไมเราต้องมาสร้างศีลบารมีกันเพราะศีลบารมีนี้เป็นเหมือนประตูที่เราจะปิดอบายได้ถ้าเรารักษาศีลได้ตายไปจิตของเราจะไม่ไปติดคุกติดตารางในอบายอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนี่ก็เป็นผลที่จากการไม่ได้รักษาศีลห้ากันหรือไปเกิดเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความโลภถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นเนอส่นร่างกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกเนี่ยอันนี้เราสามารถปิดได้ณปัจจุบันในโลกนี้เราก็ปิดประตูคุกได้ด้วยะ ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้เราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันคนที่ติดคุกติดตารางเนี่ลองไปถามดูต้องผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไม่รักทรัพย์ก็ต้องฆ่าฆ่ากันไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกันทะเละวิวาสกันตบตีกันฆ่ากันก็ต้องไปติดคุกติดตาราง ถ้ารักษาศีลห้าได้นี่เราจะปลอดภัยจากคุกตารางทั้งคุกในโลกนี้และคุกในโลกหน้าคุกในโลกทิพย์ก็ได้แก่การไปเป็นเปรตเป็นอาเสลดกายไปตกนรกเนี่ยแล้วก็ทุกในโลกนี้ก็คือไม่ต้องไปติดคุกติดตารางพบหน้าก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เนราชา นี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าทำให้เรานี้ปลอดภัยจากภัยต่างๆนอกจากนั้นยังทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวนานคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้จะมีอายุยืนยาวนานกว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเหมือนกับคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อายุจะไม่สั้นอายุจะยืนยาวนานสุขภาพร่างกายจะแข็งแรง<ม>ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ<ม>นี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลห<ม>้าคือการสร้างศีลบา ร, รมีมบาามีข้อต่อไปที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้สร้างก็คือเนคข ม, มบา ร, รมีเนคข ม, มบา ร, รมีคือการออกจากกามภพเนื แลกที่เราเวีนว่าตายเกิดนี่มีอยู่สามภ พ, พด้วยกันเรียกว่าไตาพรภพภ พ, พที่หนึ่งก็คือกามภพภ พ, พ, พที่มนุษย์เทวดาและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอยู่กันนี้เรียกว่ากามภ พ, พเพราะเป็นภ พ, พของผู้ที่ยังเสบกามอยู่กามก็คือกามคุณห้า ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะทที่พวกเราเสพกันทุกวันนี้ก็เสพกรามกันเดี๋ยวก็อยากดูนั่นเดี๋ยวก็อยากฟังนี่เดี๋ยวก็อยากจะไปกินนอนอยากจะไปดื่มนี่เนี่ยเป็นการเสพกรามท้งนั้นกรามภพนี้มีความสุขน้อยกว่าภพที่สูงกว่าอีกสองภพคือรูปภพกับอรูปภพนะถ้าเรา อยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพกามเราก็ต้องออกจากกามะภพวิธีที่เราจะออกจากกามะภพก็คือเราต้องจเจริญเนคข ม, มะบา ร, รมีนี่เองนคข ม, มะบา ร, รมีนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างกามะภพกับอรูปะภพกับอรูปะภพที่มีความสุขที่มากกว่าความสุข ที่ได้จากกามภาพบและมีความทุกข์ที่น้อยกว่าความทุกข์ของกามมพบเพที่เบื่อกับความทุกข์ของกามภาพบเนี่ยกามภาพบนี่สุขเวลาสุขก็สุขแต่เวลามันหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานเวลาสูญเสียสิ่งที่เราลักไปสูญเสียคนที่เราลักไปความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราลักบุคคลที่เราลักก็หมดไป ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็ตามมาถ้าเราต้องเจอความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอยู่บ่อยๆแล้วอาจจะเบื่อก็ได้เบื่อที่จะอยู่แบบนี้เสพกามแล้วมันทุกข์อย่าเสพมันดีกว่าว่าไปถื อ, อไปถือศีลแปดดีกว่าไปเจรนนิญเนคขมะมบาลมีดีกว่า ออกจากกามคือไม่เสกกามนั่นเองเก็คือการเจริญศีแปนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเนคข ม, มะบรมียุติการห า, าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ที่ขมขื่นต่อไปถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ที่ขมขื่นที่ทำให้ซึมเศร้าและอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้ ก็อย่าไปเสพกามกันดีกว่าเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพกามไปสู่การเสพความสงบของใจดีกว่าในในในรูปรพบกับอรูปรพบนะเพราะที่จะออกจากกามพบได้นี่จะต้องถือศีลแปดศีลแปดก็คือการเจริญเนคขมะบาลมีเนคขมะแปลว่าการออกจากกาม พอเห็นโทษว่าการเสพการนี้มันมีทุกอันมหันตามมาเวลาที่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนั้นพัดพาคจากเราไปสูญเสียคนที่เรารักไปนี่บางคนร้องห่มร้องไห้เป็นเดือนเป็นปีนี่ถ้าทุกแบบนี้เราอาจจะบอกไม่อยากจะทุกแบบนี้อีกแล้ว ก็ไปบวยพระบวชีกันไปถือศีลแปดกันไปอยู่วัดกันเรียกว่าไปเจริญเนคข ม, มะบาลมีก่อนที่เราจะเข้าสู่รูปภพและอรูปภพได้เราต้องออกจากกรรมมามภพก่อนเราต้องยุติการเสพกามก่อนเราจึงต้องมาถือศีล ที่ห้ามการเสพกามก็คือศีลแปดนะศีลถ้าเราถือศีลแปดศีลข้อสามที่อนุญาตให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนหรือกับใครทั้งนั้นคือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วศีลข้อที่หกเพิ่มขึ้นข้อที่หกก็คือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก อนุญาตให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงเลี้ยงร่างกายได้แต่ไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากเที่ยงวันนี้ห้ามรับประทานไม่ห้ามหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ห้ามหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆมะหรือโรงมหัศลศพเนี่ยไม่ไปดูหนังฟังเพลงร้องลําทาเพลงอะไรต่างๆ ไม่หาความสุขจากเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมใส่เสื้อผ้าอาพรที่สวยงามมีสีฉูดฉาดอันนี้ไม่ต้องการหาความสุขแบบนี้ต้องการที่จะมาหาความสุขแบบที่ดีกว่าที่ไม่มีพิษมีภัยเหมือนการมาสุขการมาสุขนี้มันมีทุกข์ตามมาเพราะมันไม่เที่ยงมีเจริญ แล้วเดี๋ยวมันก็มีเสื่อมลงแต่ถ้าเราไปหาความสุขแบบที่ไม่มีทุกข์ตามามามันจะไม่มีทุกข์ตามามาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามามาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองเพอเราออกจากกามได้เราไม่ไปเสพกามเราก็จะมีเวลามาสร้างความสุขมาทาใจให้สงบ มาฝึกสมาธิกันได้มาเจริญสติมาฝึกกรรมฐานการฝึกกรรมฐานนี้เป็นการสร้างสติพอมีสติเรานั่งหลับตาเราก็จะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเราก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งทั้งปวงขึ้นมา อ, อันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องการจะทำคือ พัฒนาความสุขของเราให้มีมากขึ้นและลดความทุกข์ที่มีอยู่ให้มันน้อยลงเพราะว่าระดับของกามาภพนี้ความสุขมันมันน้อยกว่าความสุขของรูปภพและอารูป์ภพและความทุกข์มันมากกว่าของรูปภพอารมณ์ภพ ถ้าเราออกจากการมาพบได้แล้วเข้าสู่รูประพบหรืออรูประพบได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเราต้องมาถือศีลแปดแล้วเราก็ต้องไปหาที่ที่สงบที่จะเอื้อต่อการทําใจให้สงบใจจะสงบได้ง่ายต่อเมื่อ เราอยู่ในสถานที่ที่มันสงบท่านเรียกว่ากายวิเวกจิตก็จะวิเวกคำว่าวิเวกก็คือสงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าเราอยู่ในบ้านในเบืองอยู่ที่มีมหรัรสบพบันเทิงมีการร้องลํำทำเพลงมีการทำกิจกรรมอะไรต่างๆใจเราก็จ ะ, ะวุ่นไปกับมันใจมันก็จะไม่อยากเข้าสู่ความสงบ นั้นถ้าเราอยากจะเข้าสู่ความสงบเราต้องดึงใจออกจากแสงสีเสียงต่างๆเราจึงนิยมไปอยู่วัดกันวัดนี้เป็นสถานที่สงบแต่สมัยนี้ก็ต้องแยกแยะเพราะวัดเดี๋ยวนี้มีสองแบบวัดในบ้านในเมืองนี้ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เพราะว่ามีกิจกรรมทางแสงสีเสียงเยอะมีงานศพมีงานอะไรต่างๆงานสมโพธงานบันเทิง เข้าไปในวัดนเดียวนีน้ถ้าไปอยู่วัดแบบนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ต้องไปอยู่วัดที่เงียบเช่นวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการเจริญเนคขมมะบารมีวัดที่มีการเจริญกรรมฐานวัดที่มีการเจริญสมาธิเนี่ยวัดที่มีการเจริญปัญญาเป็นที่ที่เหมาะต่อการสร้างความสุขที่ปราศจากความทุกข์ ก็คือการมาทำใจให้สงบนีถ้าเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้เราแทบจะไม่มีอะไรทำเลยนอกจากมาฝึกมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันแต่ถ้าเราถือศีลแปดไม่ได้เดี๋ยวหลังจากเที่ยงก็อยากจะกินขนมต่อกินขนมบ่ายก็อยากจะกิน้นั่นต่อเดี๋ยวเย็นก็อยากจะกินข้าวเย็นอีก ก่อนนอนก็อยากจะกินอีกเนี่ยมันก็จะวุ่นกับเรื่องกินเรื่องหาความสุขจากการกินหรือจากการดูการฟังกินเสร็จก็อยากจะดูหนังดูละครฟังเพลงหรืออยากจะไปเดินเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติฝึกสมาธิกันได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดได้นี้เราจะกาจัดกิจกรรมต่างๆที่จะ ดึงให้เราต้องไปทำกันทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้จิตจะสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้กำกับผู้บังคับสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์จะจอดได้นี้ต้องมีมีเบรกถ้าไม่มีเบรกนี้รถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ พอมาถึงสีแยกไฟแดงถ้าเบรกแต่ก็วิ่งไปชนกับรถคันอื่นเขาแต่ที่ไม่ไปชนกันก็เพราะว่ารถมีเบรกกันฉันใดใจของเราถ้าต้องการให้มันสงบให้มันเข้าสมาธิมันก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่สงบสติก็คือตัวที่จะมาหยุดความคิดนั่นเองเช่นสมมุติว่าตอนนี้เรากาลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ถ้าเรารู้ว่ากำลังคิดอยู่เราอยากใช้ให้มันหยุดคิดเราสั่งมันให้หยุดคิดได้หรือไม่บอกต่อไปนี้หยุดคิดอย่าคิดคิดแล้วปวดหัวอย่าคิดถ้าสั่งแล้วมันยังคิดอยู่ก็เหมือนกับรถที่เบรคอย่าเบรคแล้วมันไม่หยุดสแสดงว่าเบรกไม่ดีสแสดงว่าสติไม่ดีสติไม่มีกาลังพอที่จะหยุดความคิดได้ถ้าเมื่อเราสั่ง ให้ความคิดหยุดคิดไม่ได้เราก็ต้องไปเสริมเบรกเสริมสติกันวิธีเสริมสติก็ต้องใช้กรรมาฐานเป็นเครื่องเสริมสติคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการมาหยุดความคิดน่ะเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยจะหยุดความคิดได้เช่นตอนนี้เรากำลังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วก็ปวดหัวลองมาท่องพุทโธดูบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับความคิดถึงแม้ว่ามันกำมันกำลังคิดยังยังคิดอยู่ตอนที่เราเริ่มต้นบริการพุโทโธมันก็เปิดเพิ่มเราเพิ่งเริ่มเหยียบเบรกไม่ใช่พอเหยียบเบรกปั๊บรถมันจะหยุดปุ๊บรถมันก็ยังวิ่งอยู่แต่เราก็รู้ว่าถ้าเราเหยียบไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเนี่ยฉันใดพุดโทโธก็เป็นเหมือนเบรกเบรกความคิดแต่ตอนที่เราเริ่มพุโทโธนี่ความคิดมันไม่หยุดนแต่อย่าไปสนใจ ให้รู้ว่าถ้าเราพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เหลวความคิดมันต้องหยุดอย่างแน่นอนเพราะว่ามีคนทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทำมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำมาแล้วท่านหยุดความคิดได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธนี่แหละ แต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่พอบริกรรมสองสามคำแล้วจะให้มันหยุดยังไม่มีทางอาจจะต้องบริกรรมไปห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ว่าการบริกรรมของเราต่อเนื่องหรือไม่ถ้าบริกรรมสองสามคำแล้วก็หยุดแล้วอีกสองนาทีก็ามาบริกรรมอีกสองสามคำอย่างนี้บริกรรมไปทั้งวันก็ไม่มีวันหยุด จะให้ความคิดมันหยุดต้องบริกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ไม่ให้มีช่องของความคิดโผล่ขึ้นมาได้นั่นเองงั้นเวลาเจริญสตินี้ต้องอดทนต้องมีความเพียรพยายามมากถึงจะสำเร็จไดนะ้การที่เราจะทำอะไรให้มันสำเร็จได้นี้ <c oughs> เราก็ต้องอาศัยอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจ ต่อไปนี้เราจะตั้งเราจะตั้งสติอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะฝึกสติอยู่เรื่อยๆเราจะบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆจะบริกรรมตั้งแต่ตื่นจนหลับ <Yeah. S 1> เนี่ยลองตั้งอธิษฐานอย่างนี้ดูคือความตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าเราไม่มีสัจจะคือความจริงใจเราก็อาจจะไม่ทาตามพอเราตั้งอธิษฐานบารมีแล้วเราก็ต้องตั้งสัจจะบารมีต่อว่าเราจะ เราต้องรักษาสัจจะคือความตั้งใจของเราเราตั้งใจว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตาเราจะไม่ทิ้งพุทธโธเราจะให้มีพุทธโธอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสัจจะเราก็จะคอยสังเกตดูว่าตอนนี้พุทธโธหายไปหรือเปล่าถ้าหายไปก็ต้องรีบดึงมันกลับมาเพราะบางเวลาเราอาจจะหยุดพุทธโธเพราะว่าเราอาจจะต้องไปทางานต้องไปใช้ความคิดต่างๆ แต่พอเราไม่ต้องใช้ความคิดพอมันจะคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยก็ต้องรีบใช้พุโทโธทันทีเนี่ยเราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใ จ, จเจริญสติอยู่เรื่อยเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะบา ร, รมีคือความจริงใจที่จะทาตามที่เราตั้งใจเมื่อมีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะความพยา ย, พยามพยายาม พยายามถึงแม้ว่าเราเผลอก็ต้องพยายามดึงมันกลับมาพุโทโธไปสักพักเราเดี๋ยวหายไปแล้วพอรู้ตัวว่าหายก็ต้องพยายามต่อกิว ค, ความเพียรพยายามถ้าไม่มีความเพียรพยายามเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้เลิกเลิกพุโทโธนอกจากา ม, มีความเพียรแล้วก็ยังต้องมีขันติความอดทนเพราเวลาที่เราบริกรรมพุโทโธนี้ใจมันจะอึดอัด ใจมันจะไม่ชอบใจมันชอบคิดเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อมากกว่าคิดถึงแฟนคิดถึงนูน่นคิดถึงนี่แล้วรู้สึกมันมีความสุขปลให้มันมาคิดแต่พุโทโธพุโทโธนี้มันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะบริกรรมพุโทโธไม่ได้จะไม่บริกรรม ดังนั้นการที่เราจะทําอะไรให้สำเร็จได้นี้เราต้องมีบา ร, รมีสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีสองอสัจจะบา ร, รมีความจริงใจตั้งใจแล้วต้องมีความจริงใจที่จะทําตามที่เราตั้งใจไม่ใช่โกหกหลอกลวงตัวเราเองตั้งใจว่าะจะพุโทโธแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ยอมพุโทโธอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะ ถามีสัจจะเมื่อตั้งใจจะพุโทโธแล้วก็ต้องพุโทโธแล้วถ้าพุโทโธแบบขี้เกียจมันก็จะไปไม่รอดต้องพุโทโธแบบขยันต้องพยายามพอพุโทโธไปสักพักหนึ่งเอเมื่อยแล้วอยากจะหยุดอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรมาคอยผักดันมันต่อไปแล้วก็ถ้ามันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ต้องอดทนใช้ขันติว่า เดี๋ยวพอหยุดความคิดได้แล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะสบายมันจะมีความสุขมากกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีขันติความอดทนได้พอเรามีบรารมีทั้งสี่นี้มาเสริมในการเจริญสติต่อไปเราก็จะมีสติพอนั่งสมาธิจิตของเราก็จะสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะเข้าสู่รูปภพอรูปภพ ถ้าได้รูปปัจจานสีก็จะได้ความสุขของรูปภพถ้าได้อรูปปัจจานสีก็จะได้ความสุขของอรูปภพเนี่ยความสุขของอรูปภพนี้มากกว่าความสุขของรูปภพเนี่ยพอเราได้นี้แล้วเราก็อยากจะทำให้มันเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปเพราะความสุขที่เราได้จากสมาธิคือฌานขั้นต่างๆนี้ยังเป็นของชั่วคราวอยู่ เพราะเราเข้าสมาธิแล้วเดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาใจเราก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสตัณหาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะมาทำให้มันก็จะทำให้ความสงบที่เราได้หายไปความสุขที่เราได้หายไปถ้าเราอยากจะให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิยังอยู่ต่อไปเราก็ต้องคอยกาจัด ความโลภความอยากต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาวิธีที่จะกมจัดมันก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาบารมีปัญญาก็คือการรู้วิธีที่จะกมจัดความโลภความอยากต่างๆวิธีที่ทาให้ความโลภความอยากงังต่างหายไปก็คือให้มันเห็นให้ให้จิตเห็นว่าเวลาสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ ทุกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ดูอะไรได้ฟังอะไร พอมันหมดไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นะให้เราเห็นอย่างนี้ว่าความสุขที่เราหาด้วยความอยากนี่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันจากเราไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่า ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ถูกทำลายเพราะความอยากต่างๆนี้ถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ความสุขที่เราได้จากความสงบหายไปเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญามาดับมันใช้ปัญญาสอนจิตให้รู้ว่ากำลังไปหาความทุกขนะ์เนื่อพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ที่ความอยากอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วกราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจนะนะให้คิดอย่างนี้แล้วความอยากได้มันก็จะหายไปนะพอความอยากหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาทันทีความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเกิดมาขึ้นมาทันทีต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกทําลายด้วยปัญญาให้หมดไป พอหมดไปแล้วทีนจิตก็จะมีแต่ความสงบไปตลอดเวลามีความสุขไปตลอดเวลาเราก็เรียกความสุขนี้ว่านิพานนี่เองนิบานังปาลมังสุขขังความสุขที่เป็นบรลมัสุขคือพระนิพานเมื่อมีพระนิพานมีความสุขความพอก็จะไม่มีการมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการมาเสพกามไม่ต้องการมาเสพความสุขของพระ มีความสุขของพระนิพพานที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดความสุขของกรรมะภพของรูปภพและอรูปภพนี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวมีวันสิ้นสุดลงได้นแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการจะเสพรูปเสียงกลิ่นรส ไม่มีความจําเป็นจะต้องมามีร่างกายกต่อไปก็จะไม่มาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์อย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ขณะ น, นี้ถึงแม้ว่าจะเกิดมาด้วยบุญบา ร, รมีมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องมีความทุกข์ด้วยกันทุกคน มาเศรษพระเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพัดพรากจากกันอยู่เหมือนกับขอทานเหมือนกับคนธรรมดาอย่างนั้นถ้ายังกลับมาเกิดอยู่มันก็ยังจะต้องมาเจอความทุกข์อยู่ถ้าไม่ต้องการจะเจอความทุกข์ก็อย่ากลับมาเกิดต้องทําใจให้เป็นนิพพานขึ้นมาด้วยการเจริญบา ร, รมีต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่ต เมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีในกรรมบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีและอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่นี่คือรายการที่เราควรที่จะจัดซื้อกันถ้าเราเป็นบริษัทจัดซื้อของ นี่คือรายการที่เราต้องไปซื้อกันมาถ้าเราต้องการให้บริษัทของเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแต่กําไรไม่มีขาดทุนเราต้องไปซื้อสินค้าสิบรายการนี้คือบารมีทั้งสิบเนี่ยบริษัทของพวกเราก็คือชีวิตของพวกเรานี่เองถ้าพวกเราต้องการให้ชีวิตของพวกเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแต่ความสุขว่าศจากความทุกข์ก็ขอให้พวกเรามาสร้างบารมีทั้งสิบนี้เถิด แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างแน่นอนไม่ต้องมาขอพรจากพระให้เสียเวลาเพราะขอก็ไม่ได้หลายก็อยากขอพระก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องให้ดังต่อไปนี้จะให้พร <c oughs> ยาถาวาริวาหาปุราตาริปุเนติสาขาัง เอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสักปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติารโสยธาสัพพิติโยวิวาจจัตุ สัพพะโรโควีนัสสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขายุโกภะอภิวาธานศีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขังพาลัง ลําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคําถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่อย่าถามหลังจากที่ปิดไปจะไม่มีการถามตอบหลังจากที่เลิกการประชุมแล้วเพราะว่าหมดแรงขอพักกินน้าบ้างพักเหนื่อยถ้าจะสู้ก็สู้กันตอนนี้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อยหกสิบเอ็ดคนครับ y o u t u สองร้อยยี่สิบ็ดคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าคนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยหกสิบเจ็ดคนครับรวมทั้งหมดหก4้อยแปดสบสี่คนครับเชิญถามได้เลยถ้ามีคำถามคำถามจากคุณเปียนันค่ะ กราบเรียนถามว่าดวงจิตที่ออกจากร่างกายไปยังจะมีโอกาสได้ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมอีกหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่ามีนิสัยชอบฟังธรรมหรือไม่สองต้องเป็นเทพเป็นจิตที่เป็นเทพดวงวิญญาณที่ได้ทาบุญทมกุศลมาเช่นทานบารมีศีลบารมีแน้าก็ฝ่รู้ฝ่ธรรมชอบฟังธรรม ถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์องค์ใดแสดงธรรมก็สามารถไปฝังได้เอเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์จะทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาทุกคืนหลวงปู่บ้านนี้ท่านก็มีท่านก็แสดงธรรมให้กับเทวดาได้คือพระอรหันต์ทุกรูปนี้ไม่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันครับ บางรูปก็ไม่มีความสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมได้บางรูปท่านมีความสามารถท่านก็สามารถติดต่อได้เหมือนกับมือถือเรานี้แต่ละเครื่องมันมีความสามารถไม่เหมือนกันบางเครื่องมันก็สามารถทำอะไรที่เครื่องหนึ่งทำไม่ได้ แต่ก็เป็นมือถือเหมือนกันใช้โทรติดต่อกันได้ผ้าละหันนี่ก็เป็นผ้าละหันที่สิ้นกิเลสเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษนี้มีไม่เท่ากันบางองค์ก็ระลึกชาติได้บางองค์ก็อ่านวาลจิตของผู้อื่นติดต่อกับเทวดาได้ยังถ้าองค์ไหนที่ท่านสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ท่านก็จะสามารถแสดงธรรมได้จิตใจของผู้ที่ตายไปถ้า ในขณะที่มีชีวิตอยู่ชอบฟังเทศฟังธรรมชอบเข้าหาพระก็จะหาพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถแสดงธรรมได้ก็จะไปไปฟังจากพระอาหารหันต์หรือจากพระพุทธเจ้าได้คำถามจากคุณธนากรค่ะข้อแรกการรักษาสมาธิที่เจริญแล้วไม่ให้เสื่อมควรทำอย่างไรครับ ก็จเจริญสติต่อหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าใช้พุทโธก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อจนกว่าเราสามารถที่จะรักษาสมาธิบแบบสติได้อย่างอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเราอยากจะรักษาแบบถาวรแบบที่ไม่ต้องมาพุทโธพุทโธเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกําจัดความอยากต่างๆ เพราะความอยากเป็นตัวที่จะมาทําลายความสงบของสมาธิพอเกิดความอยากขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาเอใจจะฟุ้งขึ้นมาความสงบที่ความสงบเย็นที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความเย็นของสมาธิกลับขึ้นมาก็ต้องกําจัดความอยากเหมือนถ้าเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราไปหุงหุงข้าวในห้องแอร์เดี๋ยวห้องแอร์มันก็ร้อนขึ้นมาเอ ถ้าอยากจะให้ห้องแอร์เย็นเราก็ต้องหยุดถุงข้าวปิดเตาความร้อนที่เกิดจากเตามันก็จะไม่มาทำลายความเย็นของห้องแอร์ฉัในใดสมาธิก็เหมือนความเย็นของห้องแอร์พอเอาเราไปติดไว้ในห้องแอร์ไปทำกับข้าวไปทำอะไรขึ้นมามันก็ร้อนขึ้นมาอ่อาฉั้นเราต้องหยุดอย่าไปทากับข้าวในห้องแอร์ห้องแอร์จะได้เย็นฉันใดใจของเราออกจากสมาธิมันจะเย็น แต่พอเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมามันจะร้อนใช่ไหมคนที่ร้อนรีบร้อนไปไหนมาไหนเพราะอะไรเพราะความอยากใช่ไหมอยากไปนู่นเร็วๆปาดหน้าปาดซ้ายซ้ายปาดขวาเนี่ยก็เพราะความอยากอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆก็เลยทําให้ใจร้อนก็เลยขับรถแบบรีบร้อน อันนี้ก็เหมือนกันความอยากต่างๆนี้มันจะทําให้ใจเราร้อนจะทำลายความเย็นของสมาธิถ้าเราต้องการให้ใจเย็นให้ใจสุขเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิเราก็ต้องคอยกำจัดความอยากด้วยการสอนใจว่าอย่าไปทําเลยทําตามความอยากได้ไม่คุ้มเสียได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียหกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ในภายหลงังถ้าพอรู้ว่ามันจะต้องทาให้เราทุกข์ต่อไปก็ไม่เอาดีกว่า อยู่กับความสงบอยู่กับความเย็นดีกว่าดีกว่ามาทำกับข้าวกินกันในห้องแอร์กินเดียวเดียวกินเดียวเดียวความอิ่มความสุขได้จากการกินก็หมดไปเดี๋ยวก็ต้องกินอีกแต่ห้องแอร์นั้นกลายเป็นห้องร้อนไปได้ไม่คุ้มเสียคำถามที่สองค่ะแล้วถ้าสมาธิเสื่อมเลย เราจะทํายังไงให้กลับมาเจริญเหมือนเดิมครับก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกับที่เราเคยทำแบบไหนแล้วก็กลับมาทำแบบนั้นเคยได้สมาธิแบบไหนเราก็กลับมาทำแบบนั้นถ้าได้พุทใช้พุทธโลเราก็กลับมาใช้พุทธโธใหม่พอเราใช้พุทธโธใหม่เดี๋ยวมันก็มันก็ได้สมาธิขึ้นมา สมาธิก็เหมือนเครื่องปรับอากาศพอเครื่องเก่ามันหายไปถูกขโมยไปแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่มาติดเนี่ยพอมาติดเครื่องใหม่ปั๊บมันก็มันก็มีความเย็นขึ้นมาในห้องเครื่องปรับอากาศก็คือสติเนี่ยถ้ามีสติแล้วมันก็จะผลิตความเย็นของใจขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจสงบความเย็นก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ คำถามจากคุณปราโมทค่ะในที่ทำงานเรามีหัวหน้าที่เราไม่ชอบเกิริยาการกระทำของเขาแต่ก็ยังต้องทำงานด้วยทำงานใต้คำสั่งเขาเราควรทำอย่างไรครับเรามองที่เงินเดือนด้วยอย่าไปมองที่ครเราทางานด้วยเวลาสิ้นเดือนนะเงินออกอมองตรงนั้นมันก็จะทำให้เรา ม, มีกำลังใจที่จะทำงานของเราไป ถ้าออกจากงานก็ไม่มีเงินเดือนจะเอายังไงถ้าอยากจะได้เงินเดือนก็ต้องอดทนต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบความทุกข์ของเราไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่ความเลวของเขาความทุกข์ของเราอยู่ที่ความไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาเห็น <re> เราต้องตัดความไม่อยากนี้ให้ให้ได้ต้องทาใจให้อยู่กับขเขาให้ได้ท่านั้นเองพอเราทำใจอยู่ได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อน เขาจะเร็วมันก็เรื่องของเขาอะแล้ว เ, เขาไม่มาทําให้เราเร็วด้วยเขาเา้าใจะอะไเปล่าเขาดีเขาก็ไม่ได้ทาให้เราดีด้วยเห็นเราไม่ต้องไปกังวลมันไม่เป็นเหมือนเชื้อโรคที่มันจะแพร่กันได้ความชั่วของเขาเนี่จะแพร่มาให้กับเราไม่ได้นอกจากเราไปก๊อปปี้มานั้นได้เห็นก็ทําชั่วก็อยากทําตามเขาบ้างอันนี้ก็การเราก็จะชั่วตามเขาได้คําถามจากคุณจุรีค่ะ ลูกสวดมนต์บทเต็มมาตลอดมีบางคนบอกว่าสวดมนต์ไม่ต้องสวดบทเต็มก็ได้แค่สวดหัวใจของบทนั้นแค่สี่ห้าคำก็พอแล้วจึงเป็นข้อถกเถียงกันขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาอธิบายเจ้าค่ะก็ถามเขาเวลากินข้าวกินแค่คำสองคำดีแล้วกินทั้งจานดีว่ะสวดมนต์ก็แบบนั้นนะ่ะการสวดมนต์ก็การให้อาหารใจ เป็นการจเจริญสติให้ใจสงบไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าสวดสั้นๆเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดต่อถ้าสวดยาวๆมันก็โอกาสที่จะคิดมันก็น้อยลงไปใจก็จะเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นไปยิ่งสวดมากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นไปเท่านั้นจากคุณเราผู้เรียกตัวเองว่าสัตบุรุษ สวดมนต์เช้าเย็นที่บ้านทุกวันและอุทิศบุญกุศลให้มารดาที่ตายไปแล้วท่านจะได้รับหมครับและความเชื่อที่ว่าการทำบุญใส่บาตรแม่เราที่ตายไปจะได้กินข้าวที่เราใส่ด้วยจริงหรือเปล่าครับคือบุญที่เราทิ่ดไปมันเป็นข้าวของดวงวิญญาณไงยานบุญนี้มันเกิดขึ้นได้หลายวิธีใส่บาตรก็ได้บุญนะนักษาศีลก็ได้บุญ นั่งสมาธิไหว้พระสวมดมนต์ก็ได้บุญอยู่ที่ว่ามันทำแล้วเกิดผลหรือเปล่าไม่ใช่ว่าสวดมนต์แล้วจะได้ได้ผลทันทีบางทีสวดไปแล้วจิตยังฟุ้งอยู่มันก็ไม่ได้ผลวิธีที่ได้ผลชัวร์แน่ๆก็คือใส่บาตรเนี่ยพอใส่บาตรแล้วมันใจก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมา แต่รักษาศีลรักษาแบบขาดขาดเกินเกินมันก็ยังไม่เกิดความสุขขึ้นมาสวดมนต์ถ้าจะสวดแบบพุ่งไปพุ่งมามันก็ยังไม่เกิดผลฉะนั้นเขาจึงนิยมทำบุญอุทิศด้วยการใช่บาททำทาน เพราะว่ามันเป็นของที่แน่นอนได้ผลทันทีแต่บุญอย่างอื่นนี้มันยังเป็นบุญที่เกิดยากรักษาศีลก็ยากไหวพ้พระสวดมนต์ก็ยากนั่งสมาธิก็ยากทั้งถึงแม้ว่าเราจะว่าเรารักษาศีลอยู่สวดมนต์อยู่นั่งสมาธิอยู่แต่ผลมันก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นมาก็ได้ยังถ้าเราอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศด้วยการทาทานดีกว่า ทำทานใส่บาทรือบ่อยจากเงินให้กับองค์กรต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรนี้ทำแล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีเอาบุญแบบนี้ดีกว่าถ้าจะต้องการอุทิศบุญเะนั้นมันจาเป็นว่าเวลาจะส่งข้าวให้แม่เราต้องใส่ใส่ข้าวให้กับพระส่งเสื้อผ้าต้องถวายเสื้อผ้าให้กับพระไม่ใช่อันนี้คือ ของที่เราให้นี่มันจะแปลงเป็นบุญทันทีแล้วบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่คนที่อยู่ในโลกทิพย์เจ้าไปซื้อของที่เขาต้องการได้ทันทีไม่ต้องกังวลว่าเอาแม่ชอบกินอาหารชนิดนี้หาซื้ออาหารชนิดนี้ใส่บาตรท่าไม่ได้เดี๋ยวแม่จะไม่ได้กินอาหารนี้ไม่ใช่หรอกใส่อาหารชนิดไหนไปในบาทก็ได้เป็น่ะเป็นบุญเหมือนกันเป็นอาหารของใจเหมือนกันเป็นอาหารทิพย์ คำถามจากคุณฉลองค่ะแล้วเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่ใส่เสื้อได้ไหมครับก็แล้วแต่เราไม่มีใครเขาห้ามแล้วแต่ถ้ามันร้อนเหงื่อแตกพักนี้ก็ไม่ใส่เสื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราอยู่คนเดียวนอะถ้าอยู่ที่สาธารณะมันก็จะไม่เหมาะสมะไปเปือยกายสวดมนต์เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเป็นชี่เปื่อยไปดังนั้นก็ต้องดูการละเทศะเวลาเราจะทําอะไร <c oughs> คำถามจากคุณราทิพย์ค่ะการจากการทําแท้งจะได้รับผลเช่นไรแล้วจะทําบุญอย่างไรดีเจา้าคะก็เป็นการฆ่าสรรัตว์ตชีวิตอย่างหนึง่งเราฆ่าอะไรเราก็จะถูกเราก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นให้เขาฆ่าแล้วเราฆ่าเด็กทารกอยู่ในท้องเราเดี๋ยวต่อไปเราไปเกิดในท้องคนอื่นเขาก็ฆ่าเราแทนอย่านถ้าเราไม่อยากจะถูกฆ่าอยากจะมาเกิดก็อยา่าไปฆ่าทารกที่อยู่ในท้องเรา คำถามฝากถามค่ะขณะนั่งภาวนาบริกรรมพุโทโธมีเสียงเหมือนใบไม้หรือบางสิ่งตกบนหลังคาขณะนั้นเห็นจิตร้อนรุ่มที่กลางอกแต่เมื่อบริกรรมพุโทโธ ต่อไปอาการร้อนรุ่มก็หายไปขณะภาวนาจู่ๆเหมือนพุโทโธเบาบางเกิดนิมิตว่านั่งภาวนาสถานที่อื่นบางครั้งก็เห็นนั่งภาวนาอยู่ที่กุฏิบางครั้งก็เป็นบ้านที่เคยอาศัยตอ น, นเด็กเมื่อพุโทโธมากขึ้นอาการนี้ก็หายไปอยากทราบว่าอาการนี้เกิดจากสติอ่อนหรือไม่อย่างไรครับ ก็มันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ใจมันปรุงแต่งขึ้นมาเวลาที่ไม่มีสติคอยควบคุมมันมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็อย่าไปสนใจเพราะเวลาเราเริ่มต้นภาวนานี้เรายังไม่สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆได้อย่างตลอดเวลาอย่างเต็มเต็มร้อยมันก็จะต้องมีอะไรแวบขึ้นมาโผล่มา วิธีปฏิบัติก็คืออย่าไปสนใจกับมันให้เราสนใจอยู่กับคำบริกรรมของเราไปพุโทโธต่อไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเหน๋ยวต่อไปอาการต่างๆมันก็จะหายไปหมดเพราะพุโทโธจะควบคุมความคิดปรุงแต่งของจิตได้ฉะนั้นตาเวลาเริ่มต้นเวลาทํานี่มันจะต้องมีบ้างข้อสําคัญอย่าไปหลงอย่าไปสนใจมันแล้วหยุดบริกรรม พอยุดบริการ ม, มันยิ่งปรุงแต่งขึ้นมาใหม่มาขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้เมื่อมันปรุงแต่งของที่เราไม่ชอบขึ้นมาให้เราดูให้เราเห็นนั้นต้องกลับมาอยู่ที่พุทธโธอย่างต่อเ น, นื่องอย่าทิ้งพุทธโธเป็นอันขาดพุทธโธเป็นเหมือนอาวุธเนี่ยที่จะฟันสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของเรา ถ้าไม่มีอาวุธเดี๋ยวเราก็ถูกอุปสารคนั้นมันล้อมเราไปรอบตัวเราทำให้การภาวนาเราล้มเหลวค่ะำถามฝากถามมีคำถามค่ะที่ในเฟซบุ๊กพระอาจารย์บอกว่าจิตเป็นธาตุหนึ่งในหกที่มีอยู่ประจำโลกอขอให้พระอาจารย์อธิบายขยายความเจ้าค่ ะ, อ, ะอธิบายยังไงนะก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหกนี่ ธาตุดินาม้หลมไฟก็ทำให้มีมีโลกนี้ขึ้นมามีโลกก็มีต้นไม้มีมีน้ำมีดินบอมันมาผสมกันมันก็กลายเป็นต้นไม้กลายเป็นร่างกายของมนุษย์และร่างกายของมนุษย์ก็ต่างจากต้นไม้ตรงที่มีธาตุรู้มาประกอบด้วยต้นไม้มีแข็งธาตุสีดินน้าลมไฟส่วนใจ ส่วนร่างกายมนุษย์ของสัตว์นี่มีใจมาประกอบด้วยธาตุรู้มาประกอบด้วยจึงทำให้มีความรู้สึกนึกคิดต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะมันต่างกันแค่ตรงที่ ต, ต้นไม้มีธาตุสีไม่มีธาตุที่ห้าวนธาตุที่หกก็เรียกว่าอาวากาศสธาติหรือพื้นที่ไงการที่เราจะมีของที่เราจะตั้งได้เราต้องมีพื้นที่ไปตั้ง เช่นด้านเรามีห้องที่เต็มไปด้วยข้าของเนี่เราก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะเอาของไปตั้งได้ถ้าเราจะต้องการตั้งของเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ออกมามอาวกาศก็เหมือนที่ตั้งของดินน้ําหลมไฟที่ตั้งของจักรวาลที่ตั้งของโลกดวงดาวต่างๆเนี่ยมันต้องมีอวกาศมันต้องมีพื้นที่ให้มันอยู่เอ ส, ส่วนดวงดาวมันก็จะเป็นดวงดวงดาวแต่ละดวงอาจจะมีธาตุสีไม่ครบอย่างดวงอาทิตย์นี้มีแต่ธาตุไฟอย่างเดียวดวงดวงจันทร์นี้ก็ไม่มีธาตุไฟมีแต่ธาตุดินอย่างเดียวเนีย่ยงั้นแต่แต่มันต้องมีธาตุทั้งสีอย่างใดอย่างหนึงอย่างโลกของเรานี่มันมีครบทั้งสี่ทั้งหกธาตุมีทั้งดินน้ําลมไฟมีทั้งธาตุรู้มาประกอบกับร่างกาย แล้วก็มีอากาศมีพื้นที่ให้ต้นไม้อยู่ให้มีร่างกายขึ้นไปขึ้นเคลื่อนไหวไปไหนมาได้โลกของเราก็จะมีครบทั้งหกธาตุด้วยกันแต่บางโลกบางดวงดาวมีไม่ครบเนี่ยอย่างดวงจันทร์นี้ไม่มีมนุษย์อยู่ไม่มีธาตุรู้ไม่มีต้นไม้ใบยญาแสดงว่าไม่มีน้ำมีแต่ดินอย่างเดียวมีแต่หินอย่างเดียว เรื่องของสามภพเจ้าค่ะกามาพบรูปภพอรูปภพจะไปอรูปภพไม่ผ่านรูปภพหรือผ่านแป๊บเดียวได้ไหมเจ้าค่ะได้ผ่านแป๊บเดียวได้แต่มันต้องผ่านนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านเพราะความสงบมันเหมือนกับขับรถนะต้องคอยเปลี่ยนเกียร์จากหนึ่งไปสองจากสองไปสามไป ส, ไปสี่ไปเรื่อยๆ <c oughs> นั่นมันก็จะผ่านเพราะมันความละเอียดมันต่างกันไงรูปภพนี้มันหยาบกว่าอรูปภพ ก่อนจะําใจให้ละเอียดได้มันก็ต้องเป็นผ่านขั้นที่หยาบ ก, ก่อนถึงจะไปสู่ขั้นละเอียดได้แต่บางคนไปได้เร็วอยู่ที่กำลังของสติอยู่ที่การฝึกฝนอบรมมาบางคนสามารถเข้าอารูปฌานได้อย่างรวดเร็วนั่งหลับตาปุ๊บปับ๊บเนี่ยเข้าไปแล้วถ้ามีสติดีได้ฝึกฝนอบรมมาจนชนานาญ มันก็เหมือนกับขับรถนะคนขับรถก็เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วคนที่ยังขับไม่ชำนาญก็ค่อยๆไล่หนึ่งไล่สองไปอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่มันต้องมัมนเป็นขั้นของมันจิตมันมีขั้นมีตอนของมันไปฆ่ามันไม่ได้ คำถามจากประเพชค่ะเวลาไปทําบุญแล้วสามีห้ามไม่ให้ไปค่ะมีปากเสียงกันแต่ก็ไปเหมือนเดิมอย่างนี้จะได้บุญหรือเปล่าคะได้อย่าไปเถียงกับเขาแล้วกันเถียงแล้วก็จะได้บาปจะได้ความทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเขาก็แล้วกันถ้าบอกแล้วถ้ารู้แล้วเถียงกันก็ไม่ต้องไปบอกบางทีชอบมาอวดบุญนั้นอยากจะให้เขาอนุโมทนาแทนที่เขาจะอนุโมทนาเขากลับมาทะเลาะกับเราอ เมื่อถ้าเขาไมอนุโมทนาต่อไปก็อย่าไปบอกเขาคำถามจากคุณกุณ<ม>ลาบค่ะหนูพยายามสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิคิดดีทดําดีแต่ยังอยากจะคิดสั้นอีกเจ้าค่ะทําไมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะเพายังไม่ได้ผลเนี่ยนั่งยังไม่ได้ผลยังไม่เกิดความสุขขึ้นมายังปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งคิดไปในทางลบมันก็อยากจะฆ่าตัวตายคิดสั้นขึ้นมา คิดแล้วมันเกิดแต่ความซึมเศร้าคิดแล้วมันผิดหวังคิดแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากต้องหยุดความคิดเหล่านี้ได้ให้มันสงบให้ได้ถ้าหยุดมันสงบแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะไม่อยากจะมันจะไม่คิดสั้นมันจะไม่อยากฆ่าตัวตายการนั่งของเราอย่างนั่งแบบไม่มีไม่มีสติกำกับนั่งแบบมีกิริยาแต่ไม่มีตัวที่จะ เป็นที่จะมาทําให้เกิดผลเพราะบางทีไม่ได้ศึกษาไม่ได้ร่ำเรียนมาอย่างถูกต้องเขาบอกให้นั่งก็นั่งอ่านั่งไปเถอดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สงบเองมันไม่สงบหรอกถ้าไม่รู้จักวิธีทําให้มันสงบมันจะสงบได้ต้องมีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมใจคําถามจากคุณนงนุชค่ะนั่งภาวนาแล้วจิตสงบ หรือบางครั้งก็เห็นความว่างก็ดูความว่างประมาณชั่วโมงจิตจะถอนออกมาเองทําอย่างไรจึงจะทรงสภาวะนั้นให้อยู่นานๆได้ค่ะก็นั่งไปนานๆเนีพอมันอยากจะออกก็บอกว่าหยุดนั่งต่อไปใช้พุทโธต่อไปใช้สติควบคุมมันถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นมาเดินเราใช้สติประครับประคองสภาวะที่ได้อนั้นอย่าให้มันหายไปหมด อาจจะหายไปบางส่วนแต่อย่าให้มันหายไปหมดโดยการใช้สติคอยควบคุมคอยรักษาหรือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาคอยกําจัดความโลภความคิดต่างๆความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้สติหรือปัญญาเราก็จะสามารถรักษาความสงบที่เราได้ให้อยู่ต่อไปได้นานแต่ถ้าใช้ปัญญามันก็จะทําให้ รักษาได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็จะรักษาได้เฉพาะเป็นช่วงที่ใช้สติพอไม่ได้ใช้สติมันก็จะเริ่มเสื่อมขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณอัศดาบุตรค่ะทําบุญด้วยวิธีไหนให้ชจวากรรมนเวรให้ชจวากรรในเวรหายโกรธเร็วที่สุดครับก็เอาของที่เจ้ากรรมนายเวรชอบสิเขาชอบอะไรก็มอบไปให้เขา เขาชอบกินตุ้เรียนก็ซื้อตุ้เรียนไปให้เขากินเนอเขาชอบอหนหนูหรือแฟนก็พาหาอหนูหาแฟนให้เขาเดี๋ยวเขาก็หายโกรธเราหายจองเวรจองกรรมเราคาถามจากคุณแคทค่ะถ้าเราถือศีลแปดบวชอยู่ที่บ้านไม่ไปบวชที่วัดเหตุผลคือไม่ต้องการพบปะผู้คนใส่บาตรทุกเช้าแบบนี้สามารถตัดภพตัดชาติได้ไหมเจ้าคะ ได้ถ้ารักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลไม่ขาดมันก็เป็นการตัดการมาพบไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องไปที่วัดเสมอไปเพราะวัดบางที่มันก็คนเยอะมันก็กลับกลายเป็นมีเรื่องมีราวกับคนที่ไปอยู่วัดด้วยกันถ้าไปแบบนั้นก็อย่าไปดีกว่าถ้าไปวัดต้องไปวัดที่มันทำให้จิตเราสงบมากขึ้นกว่าที่เราได้จากการที่อยู่บ้านแต่ถ้าไปวัดแล้วจิตสงบน้อยกว่า ที่อยู่บ้านก็อยู่ทำที่บ้านดีกว่าให้ดูผลของการปฏิบัติว่าอันไหนจะดีกว่ากันแต่โดยทั่วไปถ้าวัดถ้าเป็นวัดจริงๆมันจะดีกว่าที่บ้านเพราะมันจะไม่มีอะไรมารบกวนใจมากเหมือนกับอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนใจก็เหมือนกับเราไปอยู่ที่วัดก็เหมือนกันงนั้นอย่าไปใช้คำว่าวัดหรือบ้าน ให้ใช้คําว่าวิเวกหรือไม่วิเวกเป็นตัววัดว่าเป็นวัดหรือไม่เป็นวัดเนี่ยวิเวกก็คือสงบสงัดไม่มีแสงสีเสียงมารบกวนใจคําถามจากคุณจินค่ะทำทั้งหลายล้วนเกิดดับแต่จิตครบกวนพระอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มเติมในประโยคนี้ครับไม่รู้เหมือนกันเอามาจากที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวต่อไปก็ตอบผิดตอบถูก เพราะฟังแล้วมันแปลงๆยงังไงมันทำทั้งหลายมีเกิดมีดับอันนี้ก็เป็นความจริงของทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้เรียกว่าธรรมคาว่าธรรมนี้หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสารเสรินต้นไม้ใบหญ้าภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มีเกิดมีดับทั้งนั้น คำถามจากคุณสุภัตราค่ะตัวเราจริงๆนี้คืออะไรเจ้าคะตัวเราจริงๆก็คือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเนี่ยเราคิดใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรแล้วเราเห็นอะไรเราก็รู้ว่าเราเห็นอะไรนั่นแหละคือตัวรู้ตัวคิดเรียกว่าจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตจิตต้องอาศัยร่างกายเพื่อจะได้เห็นรูป ต้องนงกายมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีลิ้นไว้ลิ้มรสมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีร่างกายไว้สัมผัสกับสิ่งต่างๆร้อนร้อนเย็นนุ่มแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้พอมาสัมผัสกับร่างกายจิตก็มารับรู้เราก็คือผู้รับรู้เราเรียกว่าเราเป็นจิตแต่ถ้าไม่มีใครสอนเราเราก็จะหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย เพราะว่าจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาทำให้เรามองไม่เห็นเราก็เลยจะคิดว่าจิตกับร่างกายเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกันเป็นแฝดสยามมาเกาะติดกันด้วยกระแสะการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณจิตนี้จะเราจะส่งกระแสะวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกาย เพื่อจะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มันกระทบกับตาหูจมกูกเนื้นกายแล้วเราก็คิดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีหรือไม่ดีสุกหรือไม่สุกเนี่ยเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองคิดแล้วเราก็เกิดความอยากขึ้นมาพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีสุกเราก็อยากได้ พอได้าาสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสที่เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากได้เราก็เลยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหนีความทุกข์วิ่งหาความสุขกันแต่าแต่ได้มาเท่าไหร่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเพราะความสุขในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับนั่นเองเราก็เลยต้องวุ่นกับการหาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่นี่คือเราเราเกิดจิตใจ เวลาไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณไปคำถามจากประหวังค่ะข่าวพระทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมอย่างนี้ดีจริงหรือไม่คะมันก็เป็นดีทั้งดีทั้งดีทั้งไม่ดีคือโดยปกติพระนี้จะไม่ไม่ทำกับข้าวกินเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระมาเป็นโยมเป็นคารวา เพราะว่าการทำกัข้าวการทำกับข้าวกินเองนี้มันเป็นทางของกิเลส่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินอยากกินพิซซ่าก็ทำพิซซ่ากินการมาบวชนี้เพื่อมากาจัดความอยากกิเลสยันต้องไม่ทำกับข้าวเองให้ญาติโยมทำให้แล้วก็ยินดีตามมีตามเกิดวันนี้ไปบินตาบไม่รู้จะได้กินอะไรแล้วแต่ญาติโยมจะใส่อะไรมาก็กินตามนั้นกินแบบนี้เป็นการเป็นการกินแบบฆ่ากิเลส แต่ถ้ามาทำกับข้าวกินเองเดี๋ยวมันก็มันก็กลายเป็นกิเลสวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะกินข้าวผัดอเงี้ยมันก็กลายเป็นการมาสะสมกิเลสส่วนน้ามาทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคนที่เขาไฟไหมอะไรไม่มีคนทำจริงๆก็ทำได้แต่ถ้ามันให้คนอื่นก็ทำดีกว่าเถอดพระเอย๋ยมีหน้าที่ของเราไปทำหน้าที่ของเราดีกว่าเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นหน้าที่ของญาติโยมเขาปล่อยเขาทาไปเถิด เรามีหน้าที่มาศึกษาทวเพื่อจะได้เอาทำมาสอนญาติโยมจะดีกว่าไม่ใช่เอาวิธีสามคำกับข้าวมาสอนญาติโยมงั <c> ้น <oughs> อย่ามาบวช ด, ดีกว่าท่านจะมาทํากับข้าว่าเศกไปก่อนเอศกแล้วก็มาทํากับข้าวช่วยเขาได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของผู้บวชกิจของผู้บวชคือให้มาศึกษาธรรมะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมะ พอบรรุ ธ, ธรรมะก็เอาธรรมะมาสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยอเคยเห็นพระพุทธเจ้าทำกับข้าวไหมพระสองข์องเจ้าเอ้ยดูพุทธังสระนังกระฉามิบ้างสิเนี่ยที่เราถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราไปทำกับข้าวเด้งคนหรือเปล่าใช่ไหมอืานี่แสดงว่าไม่มบวชแบบผูดหนวกตาบอดนะพูดง่าย เราไม่ดูคนสอนไม่ฟังคนสอนเขาสอนยังไงทำตามใจคิดตามใจอยากมันก็เลยทำให้าศาสนาเละเทะไปหมดเห็นไม้มจังวันี้เละเทะไหมอ่บต่อไปอ่าหมดพอดีน ะ, ะดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเละเทศตามด้วยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณนาะ ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด